ที่บ้านโยมวันที่28ตุลาคม2559เรื่องนักรบไร้กระบวนท่าโดยหลวงตานรงศักดิ์ขีณาโยม ใหสง้นีคือหลจากปุงแต่งหยาบปุงแต่งอย่างกลางปุงแต่งละเอียดหลุจากปุงแต่งหลุจากปุงแต่งจะปุงแต่งปุงแต่งเข้าไปหาใจที่ที่ที่สิ้นความปุงแต่งภายในไม่ใช่สงบคือไปทาให้อาการสงบนะคือให้ให้เราเนี่ยคนจับหลุดค้นจับอความปรุงแต่งก็คือปุงแต่งไปแต่เราอย่าุดเพราะาดจากปรุงแต่งอยาเดี๋ยวเราก็ไปเป็นตัวปุงแต่งกลาง เราก็ลุพ้นจากตัวปุงแต่งอย่างการมันก็ยังปุ้งแต่งอย่างการอยู่แต่เราหลุดพ้นจาปรุงแต่งการแล้วเราปรุงแต่งอย่างละเอียดเราก็หลุดพ้นจากปรุงแต่งละเอียดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปสู่ระบบละเอียดชั้นๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลเกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลากๆลึกๆลึกๆลึกๆุึแๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆาลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆลึกๆกๆลกๆลึกๆลึกลึะๆลึกๆลึก ฟังซ้ำาหลายครั้งนะคะแต่ว่าแต่ทีที่ไม่ได้ขึ้นยูทูบใช่ไหมไม่ได้ขึ้น่ะอเทอไลน์ชัดไหมชัดค่ะฟังนี่อยูก็เอาไปใส่ดัดได้ค่ะก็มาฟังในรถพอฟังในรถก็ขับรถเนี่ยรถติดหนูก็เลยไม่ค่อยไม่ทุกเท่าไหร่เห็นเลยเาฟังซ้ำ้าอย่ารถติดแบบบ่นมากค่ะ ก็อย่างเี่กดวงตาบอกว่าที่เหมือนกับถ้าเราจะไปตั ด, ตดหมายความว่ า, ว า, ต, าตัดลูงซ่านที่ไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกตัวเนี่ยก็ให้คิดไปอยค ะ, ะอันนี้ก็จะจากขึ้นอะไรยนาี้คะแล้วก็จเนี่ยค่ะฟังซ้งๆอันที่ดวง ต, ตาดีเลยดวงตามาหนูได้ไม่ต้องไปไม่ต้องกับอก ก็เนี่ยพอดีเลยไปเหมือนกันเลยมีผู้หญิงสองคนเหมือนกับไปรอรออยู่ที่หัวหินเลยนะคะไปปรากฏว่าเขาติดเออเป็นโรคติดเราก็ติดติดติดพวกละเอียดอย่างเงี้ยหรือโรคซึมเศร้าแล้วจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะเออจังค่ะเออได้บอกว่าเนี่ยพอลุงตาเนี่ยทําให้เขาหายเลยอายได้โรคซึมเศร้ามันหมดแล้ว่ไตาบอกว่าขายของอยู่หัวหินใช่ปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาสองคน วันนี้เขายังบอกเลยบอกว่าเขานี่หลุดจะรอดจากโลคซึมเศ้าได้หมเนี่ยาไปดงตาเนี่ยเดนตาเด่นตาเนเขาเล่หลุดรอดจากโลกซึมเศร้าได้ก็าเขาก็อย่างนี้เนี่ยเรื่องเอเรื่องีิที่ละเอียดเนี่เพราะว่าเขาก็ใจสักถามแล้วก็เลยละเอียดพคำกริยาละเอียด้ก็บังเขาก็เอียดก็จะทาให้เราที่เรายากเนี่ยเราก็จะละเอียดด้ย จะฟังได้เข <will> mm ้าใจช่ไหมเข้าใจเขาทำงานเพือเกล้วดหรืองที่เนี้ยคือไปไปไม่กว่วันยิงก็เหมือนคิีดๆทั่นแหละหลงตานั่นแหละแต่ก็ดีขึ้นไปไปไปพวกดองตาขาวก่อนกลับมาก็ื่อที่เนี้ยแต่ก็ยังไม่ไวเหมือนเดิมเหมือนเดิมของเดิมเขาไปเหมือนมก็ต้องดูในใจมีอะไร นีแรงทีมคนประเมินไอซ่อนในใจหรืไม่เปิดเผยต้องคุยจริงจเดี๋ยวซ่อนอยูน่นะพอดีเจ้ตัวไม่รู้ผมนี้แต่พี่รู้เราซ่อนซ่อถึงไม่ไม่พูดต้องต้องออกไม้ได้ตายเหมือนจิตกาแฟเ่ยต้องถึงออกไม้ได้จะไม่ต่ยตอยพอดีกาแฟแก้ซ้ายแก้ขวาแก้ตรงแก้ แกได้ยางไงเต้ติดๆนู่นต well ิดๆนี really ่อะไรอะขาดนูขานี่ต้องวนนต้องวนเนี่ยอะไรอะดีกินเยอะไหมต้องถามมาก่อนต้งอยรู่เรื่งถามเต้รุ่งเริ่มถามคนใกล้เต้ก็ดีคือเยอะคือไปก่อนใก้เขาไม่อห็นเขาไม่เห็นจิตตอนเต้ตอนนี้ที่ผถามได้ว่าเห็นไม เขาไม่เห็นเลยอืมแต่พอทาสูตรงตาที่เห็นไม่เห็นเห็นเยอะขึ้นเยอะ่ะเยอะขึ้นมากอืมแต่ต่อมาที่ต้องให้าฟังเขาไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็ใช้สต่างๆแตว่าไปดีช่วงที่าอที่นะคเป็นคนที่มีแรงคือได้อะไรไม่รู้ี่ มันจะได้อะไรที่แบบว่ายอมชี้สุตรของตาตีทิ้งหมดทํานคุ้มแต่งเก็คงแต่งก็บอกว่าเป็นที่ทำได้เลยก็มันมันก็ไม่ค่อยจบแล้วก็ไม <double> ่ได้รู้ว่าได้อะไรก็ได้แล้วเห็นความฟุ้งซ่านเยอะเห็นความฟุ้งซ่านเลยอีกเยอะขึ้นแน่คือถูกต้องแล้วเห็นความพุ้งซ่านตัวเองเยอะเห็นตัวเองคิดบ่มากขึ้นเห็นตัวเองพูดมากเห็นตัวเองเนี่ยพูดอยู่คนเดียวมากขึ้น อันนั้แน่ถูกต้องแล้วแน่นั่นแหละเอตัวเองเ พ, อพูดอยู่คนเดียวมากขึ้นขี้บ่นมากขึ้นแล้วก็พูดคนเดียวมากขึ้นถ้าเราเนี่ยปิดปากซะไม่บ่นออกมาข้างนอกไม่บ่นประการนี้ยเราก็จะบน่นข้างในงนั้นเราก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะบ่นเราจะพูดออกปากมาแล้วเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ย้บ่นมากขึ้นแน่นันแะคือจริงนั้นแหละจริงที่ต้องการให้เห็นเราเนี่ยแต่เราจะเปิดปากซะถ้าเราเปิดปากเราจะบ่นคนอื่นก็น เ, เป็นเหมือนของเดิมเราจะเปิดปาก แล้วเราก็ไอ้ทีเราไม่เปิดปากเราก็ไม่บ่นคนอื่นแต่เราสบายอันนี้ผิดถ้าเราเนี่ยไม่เปิดปากแล้วเรากไ็ไม่ไม่ไม่ไม่ขี้บ่นแต่เรารู้สึกสบายเรามีความสบายใจอันนี้ผิดแหละผิดอันนี้ผิดผิดและผิดมาะหารเลยเที่ถูกต้องต้องต้องเห็นเราบน่นถ้าเราเนี่ยบ่นเยอะมากเทาไหร่แล้วผู้คนเดียวมากเท่าไหร่เหมือนเม่ไหร่แล้วที่เราอยากจะพูดแต่ไม่มีโอกาสก ต, ต, ต, ต้องตดนปิดปากไว้ อันนี้ดีมากแล้วที่สุดอ่ะจนเราเนี่ยไม่รําคาในที่เราเนี่ยไม่รําคาในที่เราอ่ะผลก็เดียวผู้คนเดียวผลก็เดียวผู้คเดียวแล้วเราไม่รังคาเห็นตลอดต้องเห็นตลอดเวลาไม่มีไม่มีว่างเว้นเลยเพราะว่ามันมันบ่นตลอดเวลาเราต้องเห็นมันตลอดเวลาไม่มีว่างเว้นเออรัาคาที่สุดอ่ะเราอย่ากหนีมันก็ไม่มีไปรําคามันถ้าเราหนีมันแล้วเราคามันเจ็บเลย คือหนีมันไม่ถึงไงเราไปหาอะไรทําแก้ล้นไปเมินมาอันนี้เราจบเพเลยแล้วอันนี้แช่จนเด็ดเลยเช่แช่เลยอันนี้แช่จนเด็ดเลยอีกอย่างอีกอย่างคทอพลิกไปสบายเลยคือไม่เห็นว่าตัวเองบนอะไรพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่ไม่คิดจะพูดออกปากตะบายอย่างเดี้ยวเดิยิ้มไปยิ้มมาอันนี้แหละหนักเลยอาการหนักมากเลยไอเดินยิ้เนี่ยอาการหนักมาก พวกนี้ต้องไปหาจิตตแพทย์ไอคนเดินยิ้มนะไอคนที่บ่นงุงยิ่งงุยิ่งไม่ตหาจิตตแพทย์ไอคนยิมเนี่ยเดินยิมม้องไปหาจิตตแพทย์หน้าป่วยตัคือคนเดินมาวัดมาอยู่วัดแล้วเดินยิ้มไปยิ้มมาพวกนี้ต้อหาจิตตแพทย์แต่อัที่มันบ่นแล้วละคนอาการที่บ่นตัวเองไม่ได้คุณขวานี่ก็ต้องไปหาจิตตแพทย์มันถ้าหนีก็ไปหาจิตตแพทย์ถ้าทนไม่ได้ก็เครียดไปเลยอ่ะ มันระเบิดไเลยระเบิดเติมๆไปอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาจิตแพทย์แต่ถ้าทําใจยอมรับไปมันมันเนี่มันรอยต่อนิดเดียวระหว่างระหว่างอรหันกับเป็นป้าคือมันเห็นเหมือนกันเออเหมือนกันเลยตอนไอ้ที่มันมันมันบนมันพูดมันฟุ้งซ่านมาเลยว่าว้าเนี่ยมันเหมือนกันเลยแต่มาต่างกันไอ้เจยวเส้นจะแดงผ่าแปดไอ้เป็นรอ้าเราน่ยคืออราันที่ตื่นอคือ หลุดไปทั้งไม่ไม่ไปหาหารมันไม่ไปไม่ไมปอยากไปทําลายมันแล้วไม่หนีมันแล้ ว, ลวก็ทําเจ๊กับมันได้ตังเจ๊กับมันได้หมดตัวรู อ, อาหารเลยแต่ถ้าลงไว้ประมานเลยพรๆๆำพรำพรำพรำพราเนี่ยอืมอแต่ถ้าไปไปแบบมุดกินกับอาการนี้เนี่ยก็ก็ไปหาจิตแพทย์แต่ถ้าเลี่ยงหนีไปเมินไปเมืนมาส บ, บาย ไปบมาอันนี้ออกจากวัดไปหาติดแม่ทุกคนแต่ถ้ารั้งๆๆตามมันก็เป็นบ้านจีอันนี้บ้าไปเูยแต่ถ้าหลุดปุ๊บคือไม่ไม่ติดไปกับมันไม่ติดไปกับมันแต่เวลาเวลาที่แม่ที่เป็นไจริงๆเนี่ยพอมันมันเห็นมันจะมีติดไปกับมันเพราะมันจะทําให้เกิดเป็นอารมณ์อะไรขึ้นมาพุทมันก็จะเป็นอารมก็มันก็ไปตั้งขาดแน่ๆไม่ว่าจะติดหรือไม่เราเราไม่ห้ามเลยไม่ไม่ห้ามเลยว่าเราต้ไม่จิดไม่ติดอะไร คือมาติดอะไรกับสังขารหมดมาติดอะไรกับสังขารมาติดอะไรกับสังขารันมันจะไปมันจะมันจะไปความรู้สึกว่าควมรู้สึกมันมีที่มาแล้วก็พยายามทันก็รู้ว่าอารุณดิตมันก็เป็นสังขารเพราะว่าตอนที่ตอนที่ที่เลยนะคะมันรู้สึกแบบวุ่นหายมากทำไมมันวุ่นวมยอย่างนี้ต่อต่อต่อใจเราอะก็ถึงทำไมนึงทำไมทำไมทำไมรอบนี้มันได้ฟงสร้างขึ้นก็ได้พยายามที่จะ ช่วเลยคือว่าเออฟุ้งซ่านมันก็มันดีมันก็เท่านั้นไม่ดีไม่นั้นไม่งั้นมันก็จะไปรู้สึกไม่ดีเลยก็ไม่ฟุ้งซ่านทำไมถึงไม่มีก็มีกัแล้วมันก็จะคือคือความรู้สึกดีพันที่ไม่ชอบอารมณ์นั้นนะคะมันมีอยู่แต่มันมีอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามองมันอย่างแล้วอืมโอเคมันมันเรารู้สึกไม่ไม่ชอบอยู่แต่ก็ไม่ไม่ที่เราที่จะนับถือว่าเราทําไมเราอยู่บนทางเดียวกันแต่เรารู้สึกแบบนี้ มก็ค่อยๆเลนก็มันกค่อยๆยังทำไปเราก็คือพยายามแบบท่องที่ดวงตาบอกเมันปรุงแต่งปรุงแต่งแต่งแล้วก็แยาคือ่ไอที่ท่องอยู่ก็ปรุงแต่งแต่เอ้ปรุงแต่งอืมถูกต้องถูกต้องแล้วก็งแต่งหมดมีแต่ปรุงแต่งทุกอย่างมีแตปรุงแต่งมันก็มีทั้งบางรอบก็ดีบางรอบก็แย่บางรอบก็แบบว่าโอ้ยปิติบางรอบก็โอ้ยอะไรเนี่ยอะไาเงี้ยค่ะมันก็ เราต้องเอามันบังคับไม่ได้จริงๆนะเราติก็ปูงแต่งศุกก็ปุงแต่งกุเบขาก็าปุงแต่งกุเบขาในในในชาญเขาปุงแต่งต้องยอมบอกเองว่าทุกอย่างที่รู้สึกบางทีแบบติ๊ก็เลยขึ้นมาเนี่ยปูงแต่งอูนแต่งไม่ชอบปแต่งติวุ่นวายันมากไปามปูแต่งมันแหปุงแต่งปุงแต่งปูงแต่งแล้วปุงแต่งหมด ก็ปูุแต่งปูุแต่งปูุแต่งแต่งกันแน่แน่แน่แต่ก็ตั้งแะสิ่งที่ได้มาคือเห็นความปรุงสั้นมากขึ้นแล้วที่สุดอะเราอยู่เหนือมันใจมันจะเป็นกลามากขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่เป็นกลางยอมรับมันากขึ้นยอมรับเพราะเราเห็นปรุงแต่งที่เรายอมรับมันก็เหลืมันปรุงแต่งครับแต่แรกเราจะไม่ค่อยยอมรับมันเราบอกมัว่าปูุงแต่งปูุแต่งแต่จริงเราก็เค่อยยอมรับไปเรื่อยๆคือปูุแต่งปูุแต่งปูงแต่งปูงแต่งตอนนี้มันก็ เราก็ปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นเราก็ริ่มยอมรับว่าเราเห็นปรุงแต่งเราเรยอมรับมากขึ้นเพราใจยอมรับเนี่ยแน่นอนเราจะบรรจุแต่เพราะว่าประตูข้าวก้าวข้ามโลกบรรจุวัตถุนิพพานคือภาษามันเรียกว่ายะถาปุตตญาณทัศนะใจยอมรับใจยอมรับได้ตามความเป็นจริงที่มันปรุงแต่งเห็นว่ามันเป็นปรุงแต่งใจมันเลยยอมรับได้ยอมรับแบบว่าปรุงแต่งปรุแต่งใจมันยอมรับได้ยอมรับตามความเป็นจริงได้ยอมรับตามความจริงได้ไม่ใช่ว่าเราหนีคว่าปรุงแต่งไป แต่เรายอมรับได้ปุงแต่งแต่เราไม่ลงไปกับมันคือเราไม่ต <ark na backup assembly> ิดมันก็คือไปพูดไปบ่าไปพั่มปั่มปมปมปเป็นคนบ้าไปเลยแบบอันหนึ่งเลยคือเราไปจะทำลายมันเราไปทำลายมันจะับมันอย่างเดียวหยิบมาโหล่มันอย่างเดียวเอ่แล้วว่ามันจะต้องไม่ไปแต่งมันจะต้องไม่ปรุงแต่งมันจะต้องไม่อะไรนะมันจะปรุงแต่งซ้อนกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นมันไปเจออีกมันก็เราไปยาบไปยุ่งกับมันก็ปรุงแต่งอีกอะไรปรุงแต่งอีกก็ปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่ามันจะเป็นปรุงแต่ง ตอนี้ทั้งเราก็ไม่ไม่เมินหนีไปเมินหนีไปทําำสบายสบายใจลองเพลงเล่นเฉยไปเลยนี่ไม่ใช่อันนี้ก็ปุงแต่งหลอกตัวเองแล้วเนี่เราก็คือทั้งไม่ปุ่งแต่งหลอกตัวเองทั้งไม่หลงไปมุ่ตามคนที่มันปุงแต่งไปคือทำทำลำลำลำลำเหมือนคนบ้าพูดไม่หยุดแล้วก็วุ่นวิ่ป่วยวาย่ววายทีป่วยตีพายเอาวุ่นกิจการข้างในแล้วก็พลอยงดกิจคนน้อง อันเนี้ยมันมีสามกรณีให้สังเกตมีสามกรหนึ่งคือมันปรุงแต่งพลัมพลัมลัมก็ตามมันไปเลยคืออันนี้ไม่เห็นไม่เห็นออกปากอย่างเดียวพลัมพลัมลัมเมนจะเป็นบ้าเลยคนบ้าคนบ้าเป็นเยอะแบบเนี้ยพอเพื่อนๆไปล่อยกรุงแต่งออกมาแล้วพูดมากๆเขาบ้าบ้เนาะตอนนี้ยลัมพลััมนี้ไม่หยุดเลยเป็นบ้าเลยอันนี้สองคือหนีเมินไปเมินไปเมินมาบุญนึดตู้ไม่ได้โมโห สูไม่ได้มึงหิบมโหลแล้วยิ้มแฉ่งแบ้เฉยอย่างเงียอยู่อุปถิดปุ๊บไปถูกว่าไม่รับรู้แล้วยิ้มแฉ่งอย่างเงอันเนี้ยประสาทเลยก็ไปเข้าโงบาลเห็นหลายคนแรกที่มาอยู่วัดแล้วก็เป็นอย่างไงเราบอกไม่เชื่อพระเราไปว่ามาเขาบอกว่ า, า, วามาอยู่วัดนี่ไม่มีบุญเลยหรอไม่ได้บุญอะไรเลยหรอตว่าใสา่เราเพราะอจาเอะดีจะรู้สึกออกจากโรงพยาบาลออกจากวัดไปเข้าโรงพยาบาลบ้าเข้าโรงพยาบาลสาดเพราะที่น้องโทว่าว่าไง ก็ลงมาประสาทเลยพแหละมันนีคมจริงอีกกรณีหนึ่งคือไปไปุนหิบมันงูหิดลำพานมันแล้วเนี่ยมันคือเจ้าของขึ้นอยู่ในเลยเนี่ยของขึ้นเจ้าของขึ้นเจ้าของขึ้นมนรับุขแต่รับสุเโทใช่ใชจมกอะลรของขึ้นมันเนี่ยของขึ้นทางหุอยู่ข้างในวอ่างเงี้ยใครเมื่อใครมาผสมข้นอกเมื่อไรผสมลงงูิบไปเรื่อยจ้าเนี้ยแต่ถ้างูหิดแล้วเราเราเบิดไปตามเราจะไปบ้าแต่ถ้าเรางูหิบเราระเบิดก็ไม่ได้เนี่มก็เลย เลยเป็นต้องเป็นหาโรคประสาทกินหายยาละกับประสาทคือเรียกว่าอันนี้ยกินอีกแบบหนึ่งคือกินยาไฮเครียตต้องไปหายากไฮเครียดกินอั น, น, อ น, น เ, เนี้ยแต่ไอพุทธิยิ้มทิกเป็นละยิ้มนี่เนี่ยอันนี้อันนี้นักเป็นหนักมากเลยไม่ใช่ยาไฮเครียดนะอันนี้อือันนี้ยาโรคจิตเลยโรคจิตโรประสาทไอพุทธิเดินยิ้มอยู่ในวัดเนี่ยน่กกากลัวมากรือว่ามันมันต้องกับความคิดเพลิ ภูษามาตอนที่มาที่นี้ถ้ามันไม่ทานมันก็จะมาถึงอารมณ์หือสัญญาแต่ในอารมณ์พอจบปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมาเอารู้พยายามที่จะเลี่ยงที่จะไม่แก้ไขอารมณ์แต่ว่ า, า, าเพราะว่าธรรมชาติของมันก็ยังรับผิดกับ ท, ทุกข์ก็พยายามแบบว่าให้ไขนิดนึงเพว่าเรามันมีอารมณ์ที่เราไม่ชอบใช่ไห้คะทนกคนึงก็ปรุงแห่งแต่ว่าคิดว่าก็าต้องเหมือนกับต้องมีจะติดตั้งแล้วก็อ า, อารมณ์ แต่ว่าถ้ามันแรงอ่ะมันก็จะแบนว่าพยายามจะแก้ไขแล้วพยายามที่จะแบบว่าเปลี่ยนอารมณ์เลยนะคะก็พยายามที่จะตรงนั้ น, น, น, นเนี่ยไม่แม่จะหนีอารมณ์อย่ามองว่าปรุงแตง่งแบบนัน่ายะก็ง่ายมาเราค่ะก็ง่ายมาลยดก็ามกเลยคนะก่ยมเลยค่ะก็ง่ายมเะไรงามกเลค่ะ็ง่ายมากเค่ะก็ง่ายมากเลย่ะกง่ายกอย่างปายมาก่ ง, งม่ม่ว่าอะไระก็ตามทมม ก, าก่็ามากยกงายกละายมาเพืค่องมานมีความคิดกีงารมากเลการ อะไรก็มานีดเดียวเสี้ยวนทีเดียวเนี่ยพุ่งแต่งหมดเลยทุกอย่างเนี่ยกับเพื่อนก็นมานิดเดียวเสี้ยวนาทีเดียวพุ่พงแต่งหมดอะไรก็าตามที่มันมีกิริยาการอะไรนต่กับเพื่อนในมันพุ่งแต่งหมดเลยกับ อ, อีกอันหนึ่งคือเรื่องเข้าใจเรื่องธาตุธาตุรู้นิพพานธาตุธรรมธาตุอรัตธาตุพุทธะซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราตัวเราตัวตนของเราไม่มีมีแต่พุทธะคือมีแต่ธาตุรู้ซึ่งตัวตนไม่มีคือเราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มี กับทุกอย่างเป็นปรงแต่งหมดมันเลยไม่มีใครที่ต้องไปทนกับอะไรไม่มีตัวเราต้องไปทนกับอะไรที่ทนไม่ได้เพราะตัวเราไม่มีจริงไม่มีตัวเราเนี่ยไปต้องไปทนกับอะไรมีแต่ได้แต่รู้ ใ, รใช่ใช่เขาเรียกโยนิโสมนัติกาต้องสอนตัวเองบอกตัวเองต้องโยนิโสมนัติกามัน่จะตลวเวลาคือ ส, สองกรณีคือพวงแตงพวงแตง ในสุดเราก็ไม <bur> so ่ม oh, right? so so okay. ีตัวตนวเราไม่มีไม่มีตัวตนวเราไม่มีจริงมีแต่รู้รู้ที่เป็นธรรมชาติแท้เป็นพุทธะตัวเนี้ยมันมีอะไรขึ้นก็ปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วเป็นก็เป็นเป็นไป เราไม่รู้สึกไม่ดีก็ต้องเห็นในคนที่ว่าเราไม่ดีสองงานนึงคือมันมันของของต้ยมันมีวันเลยสังหารไปมีตัวเราทุกครั้งเข้าใจไหมคือเลยสังหารที่มงแต่งมีตัวเราเลยมีเลยจะมีตัวเรามาจัดการสังหารทุกครั้งที่สําคัญมากนะคำเนี้ยคือเลยสังขารทุกครั้งที่ปรากฏไอ้ของเต้ยมีตัวเราอีกหนึ่งแต่จริงๆในนี้มีแต่สังหารแล้วเลยสังหารไปไม่มีเป็นความว่า ค้ายๆเลยเลยเลยโต๊ะเนี่ยไปสังขารทุกสังขารไม่ว่าจะมีความรู like medicine, medicine medicine, ้ส so er <Okay. S 2> yes, ึก like. นึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะเร็วบานใดความคิดเร็วปานใดมันเหมือนสุดขอบโต๊ะเนี่ยเลยสุดขอบโต๊ะไปเนี่ยไปบอกว่าแต่ของเต้ยเนี่ยเลยสุดขอบโต๊ะไปแล้วก็มีตัวเต้ยมันเต้ยทิ้งพลกับสภาพสังขารเนี่ยยังหยาดเป็นอย่างนี้เป็นนิจหยาดเป็นนะเพราะนิจหยาดเป็นนิจยาดอันนี้มันก็อะไรแบบว่ามันยังพลไม่ได้เพราะอะไรสังขารเนี่ยเลยสังขารไปพิเศษพิสังขาร เลยสังหานไปเป็นวิสังหารวิสังคานคือเนี่ยคื อ, อ ค, อ, อ, า ค, อ, คา อ, าอาว่งางว่าคือความไม่พงแต่งความว่างว่าเป็นอวกาศเป็นจักรวาลแต่ของเต้ยเนี่ยเลยเลยสังหารไปแล้วมีตัวเต้ยอยู่ตรงนูมันก็เลยเลยเลยสังหานเึงตัวไปแล้วมีเต้ยเต้ย<น>ต้องให้เท่าทันเห็นที่มีตัวเราลองรับตรงนี้คือตัวสติปัญญาตัวโยนิสมปนิการต้องเป็นหนึ่งเดียวันในจิตต้องเป็นหนึ่งเดียวไม่มีไม่มีมันไอหนี้ตามมาที่หลังไอ้นี้มาที่หลังสมาธิสติปัญญาตัวโยนิสมปนิการ มันต้องมารวมเป็นหนึ่งเดียวในใจของเราตลอดเวลาคือฟันขาดทีเดียวได้ก็ะบีเดียวไม่ใช่ว่ามาฟันคนละครั้งสติมาหนึ่งปัญญามาหนึ่งโยนิโสมาหนึ่งแล้วก็หลบไปหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยคือมันต้องเป็นสติปัญญาเนี่ยมารวมเป็นหนึ่งเดียวในใจของเราอะไรโผล่้นมากุณคงแต่งสมมติเหมือนนะคุมีมีเลยนี่มีเลยเลยความคงแต่งมันต้องมาทุกกิริยาการในปัจจุบันมีแต่ความว่างมีแต่ว่ามมีอะไรเราก็จะไม่ต้อมีตัวเราเนี่ยเป็กสามกรณีคือ ไม่มีตัวเราลง <h dzie Hitler> มาพอมพอมพอมพอมไม่มีตัวเราเป็นมุมหีกับอการที่พงแต่กไม่มีตัวเราเนี่ยทนไม่ได้แล้วละเมิดเลยเราก็จะเลี่ยงโอกาสจากการที่เป็นบ้าหรืโรคประสาทเพราะไอ้ที่มันรคประสาทก็เพราะมีตัวเรามีตัวเราเข้าไปประสบลงมันก็เลยทนไม่ได้เพราะว่ามันเลยเลยความพงแต่งไปมันมีตัวโน้นทำไมันเลยไปปุ๊บมันมีตัวเราแล้วจะมีอะไรเนี่ยต้องมีได้เนี่ยปกฏจลองดูที่ใต้ตัวนี้จะมีหลือแต่เนี่ยมันจะเป็นยังไง แต่ตัวเนี้ยไม่มีอยู่เลื่องเหมือนแต่สังขารเนี่ยแล้วเป็นงไงเออก็ไม่มีอะไรเลยไอ้ตัวสังขารเนี้ยก็คือร่างกายจิตใจแต่นี้เนี่ยคือไอ้ตัวที่นั่งเนี่ยมันเป็นตัวนี้ซะแต่เราก็เอาเอ า, เอาตัวเราเนี่ยไปดูสังขารข้างหน้าเราแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่หลังสังขารเราทําแบบดูดูสังขารแบบดูโทรทัศน์คือเราเอาสังขารมาไว้มาผลักไว้ข้างหน้าแล้วตัวเราไปดูสังขารไปดูแบบดูหน้าโทรทัศน์ แต่จริงๆอะเราต้งาตัวเรานะเลื่อนนเป็นสังขารตัวเราเนี่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นรู้ไร่เราต่อทานไอตัวที่โยนิโสตัวที่พูดตัวที่บอกอะไรก็ตามสังขารทั้งแท่งเลยร่างกายทั้งไอโยนิโสทั้งสติก็เป็นสังขารสมาธิก็เป็นสังขารปัญญาก็าเป็นตัวสางขารตัวรู้ล่าป่อยวางก็สังขารหมดไอรู้นี่ยังสังขารเลยรู้รู้อันแรกเนี่ยมันก็จะเป็นสังขารเพราะเลื่อนในตัวเรานั่นแหละมาเป็นตัวนี้นะมาเป็นตัวนีงนะพอเลยเลยตัวเราไปหดไม่มีแล้วเลยตัวเราไป ว่าไอ้ตัวเร า, าเป็นตาสุดท้ายเลยตัวเราแบบไม่มีแต่ตั้งแต่เราอะไปดูอาการคอยเอาตัวเองอไปไล่ดูอาการาเอาตัวเองอ่ะไปดูอาการเลยตัวเองเลยอยู่ข้างหลังตลอดหลังอาการตลอดเข้าใจไหมนะเนี่ยเข้าใจแต่ยพื่อให้เอาตัวเองเป็นสังขาร เออไม่เอาตัวเองไม่เอาตัวเองตัวเองก็คือร่างกายผิดใจแล้ว <ậ ะ S 2> แต่ลูกก็ขันนามขันเนี่ยเป็นสังคารแต่เอาตัวเองเ<ม>นี่ยไปอยู่สำคาญเข้าใจมันมันผิดพาดเนี่ยแต่ผิดพาดเส้นจะแดงผ่าแปะตรงเนี้ยอันนี้คือหัวใจนะของการปฏิบัติเนี่ยคือเส้นจะแดงผ่าแประรูก้กายพิกพิ ก, พกระหว่างฟ้ากับดีนตรงนี้ oui เนี่ยเข้าใจที่เราพีดแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยก็ไม่เห็นอย่างนั้นจ้ะมันก็ได้เพราะว่าทําเราเราฟังเนี่ยเราเข้าใจแต่ว่าเราฟังเนี่ยเรากลับไปทําอย่างที่ ที่ของเดิมคือเราเอาตัวเราเนี่ยไปคอยดูสังขารโดยเราไม่เห็นบางทีเอาตัวเราไปดูสังขารเนี่ยเราเลยเห็นแต่ความว่างว่างไม่สังขารเราเลยเห็นแต่ความว่างว่างไม่สังขารแต่จริงอ่ะไอตัวเราที่ไปเห็นความว่างว่างมันสังขารอยู่แต่เราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่าได้เอาตัวเองเนี่ยไปดูสังขารไว้เลยไม่เห็นหน้าการสังขารมันทําไมไม่ไม่เห็นสังขารเลยหรอไม่เห็นจะสังขารอะไรเลยไม่มีแต่ว่างวงนิ่งเฉยแต่ไอตัวเราพูดจ่อยจ่อย่อย่อเนี่ยตัวสังขารไม่เห็น เพราะอะไรเราเอาตัวเราไปดูะเราไม่ได้เห็นตัวเราเป็นสังขารแต่เราเอาตัวเราเนีย่ยไปดูสังขารเอ้ยคำพูดตรงเนี้อย่าข้ามนะตรงเนี้ยหัวใจเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่าตัวเราเป็นสังขารแต่เราเอาตัวเราเนี่ยไปดูสังขาร <c oughs> ไม่เห็นมันคิดอะไรหลายคนมาหาเราเป็นอย่างเงี้ยไม่เห็นมันคิดอะไรเลยไ อ, อ, อ้ที่พูดอยู่ไอ้ที่พูดอยู่แล้วไม่มันคิดอะไรอาจารย์ไม่ันคิดอะไรเนี่ยอาจารย์ดูสิมันเฉยมันว่างอย่างเดียวเลยอ่ะมันไม่คิดอะไร เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เนะมาหาเราแล้วเป็นอย่างงี้นะถูกต้องครับตอนที่ที่เราเป็นเราอยู่เราเห็นในตัวดูโทรทัศน์อยู่นะครับคือผมเข้าใจว่าแต่ก่อนที่พยายามมันมีการกระทํานะนะครับมันก็จะไปเห็นว่าเหมือนว่าเราดูโทรทัศน์อยู่อืมแต่มันมีไอ้เรามันก็ยังเป็นเราอยู่อืมมันมีการกระทําต่การกระทําซ้อนๆพ อ, อมันเป็นไร่มันมีทางจบไม่จบ อนี้ก็ตัวเราสังขานขนรนะอะไระไปเลยคือเราปล่อยไปเรื่อยๆให้ธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติอยู่ๆมันก็จะมันจะป ร, ะกะรากฏแวบว่าเราว่ามันมีสังขารทั้งหมดอยู่ข้างหน้าเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงอคือเราไม่มีมีแต่สังขารเลยมันจะมีแต่สังขาร ม, มันจะไม่มีความหมายแต่ตรงข้างหน้าแต่ถ้งเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมาเป็นเหมือนเรามาถอยมาเป็นคนดูครับเมื่อไหร่ที่เราถอยมันก็เป็นสังขารแต่สังขารการถอยมันจะปรากฏเองตามธรรมชาติของเขาแล้วก็ตั้งมัน ไม่ใช่คือเขาจะมีคำพูดของการถอยแต่เราจะเห็นการถอยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีทําการถอยนั่นคือสำคัญตรนคือถ้าถ้ารู้สึกเด่ยมีสองคือมีสิ่งที่ถูกดูกับมีผู้ดูอันนั้นแหละผิดแล้ไปแล้วถ้าเมื่อไหร่มีมีสองคือมีสิ่งที่ถูกดูกับมีสิ่งที่ผู้ดูหรือว่ามีสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้ถ้ามีสองเมื่อไหร่นะอันเนี้ยไปแล้วตอนก็้ยังมีคนมีคนนั่งดูใช่ใช่ใช่มันจะถ้าอย่างเงี้ยผิดผิดหมดทุกส่วนันว่าผู้รู้เนี่ยคคือสาั ใช่ช่่ต้องดูที่ผู้รู้ดูที่ผู้รู้ว่ามันไม่ไปดูสิ่งที่ถูกรู้มันดูแต่ตัวผู้รู้ปัจจุบันเรื่อยไปเลยเพราะว่าไอ้ผู้รู้ปัจจุบันมันพูดอยู่ตลอดเลาผู้รู้ปัจจุบันมันพูดตลอดเวลาบนตลอดเวลามีไออารมณ์มความคิดตูแมันอยู่ไอตัวผู้รู้นี่แก็คือตัวเราเนี่ยที่านิงทถูเพามันมีผู้รู้ไปรูเพื่อใหู้กไอผู้รู้คนนไอผู้รู้เนี่ยะเป็นคมีความคิดมีอารมณ์เองไม่ใช่ว่าไปดูตรงนั้นนะคือไอตัวผู้รู้นั่นแน่มันมีความค ก็คืใครเป็นคนไม่รู้ก็เรานรับ็ไม่รู้พอเราเป็นคนไม่รู้เราก็เลยมีความคิดมีอารมณ์เองแล้วใครเป็นคนหมุนกินอาการอ่ะก็เราเป็นคนกินกินอาการถ้าเราเห็นที่ตัวเราเราเรียนหมดปัญหากับไอ้ไดีแค่ถึงนี้เลยเพรมันมีอาการขึ้นมาใช่ไหมแล้วใครเป็นคนรู้อาการก็ตัวเราเป็นคนไปรู้อาการเราก็เลยหมุนกินอาการแต่เราไม่ไปสนใจอาการเราสนใจที่ตัวเราผู้รู้ตลอดไปเราเราไม่เคยไปสนใจตัวอาการที่สุกรู้มันเลยก็มดปัญหาไปเรื่อง ในเรื <IS C AL> ่องอากาศที <ram treating station> ่ถูกรู้ว่ามันจะจะพุ้งซ่านมันจะบุดเหตมันจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ดูตรงว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยไอ้ตัวเราผู้ไปรู้เนี่ยมันมีสังขารอะไรอันใหม่เกิดขึ้นมีสังขารอะไรอันใหม่ปัจจุบันมีสังขารอะไรอันใหม่ปัจจุันมันก็เลยหมดปัญหากับไอ้ตัวที่เกิดมาเพราะว่าไอ้ตัวที่เกิดไปแล้วก็เลยเป็นอดีตไอ้ตัวผู้รู้อันใหม่ก็เป็นปัจจุบันนี่เนี่ยที่เขาบอกว่าอดีตเป็นทำเมาเนี่ยอดีตเป็นทำเมาอนาคเป็นธรรปัจจุบันเนี่ยเป็นธรรมะธรรมโม รู้จิตปัจจุบันอันนี้แต่คนเนี่ยไปคิดแต่หยาบหยาคิดว่าอดีตคือเรื่องอดีตที่มันผ่านมานานแล้วถ้าคิดแค่นี้นั่นวิถามบนทุ๊บอธิบายไงก็ทุ๊บไม่ได้คืออดีตเป็นทำเ ม, มาคือเรื่องมา น, นานมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องของชาวโลกพอพูดถึงฝึกฝึกจิตเนี่ยอาการที่ถูกรู้เนี่ยเป็นอดีตอาการที่มันเกิดใหม่กับไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นปัจจุบันเรื่อยไปแล้วก็พราะมีไอ้มีวิญญาณตัวใหม่เนี่ยวิญญาณขานตัวใหม่มารู้มารู้ไอ้ผู้รู้ที่มีอาการอันใหม่ ไอ้ผู้รู้ที่มีอ า, าการเก่าก็เป็นอดีตไอ้ผู้รู้ที่มันรู้อันใหม่แล้วมันปรุงไว้ยังไงมันเป็นปัจจุบันต้องรู้ตัวจิตปัจจุบันถึงจะเป็นธรรมจิตปัจจุบันเนี่ยรู้จิตปัจจุบัพ <is new. S 1> พ น, นพูดถึงอดีตกับปัจจุบันก็พูดที่จิตเพราะว่าจะคนทุกข์มันพูดที่จิตมันไม่ได้พูดถึงว่ามันเรื่องมานานแล้วทะเลาะกันหรอทะเลาะมานานแล้วอะไรแล้วไอ้นี่มันเรื่องเรื่องของโลกโลกแหละมันไม่ใช่เรื่องของความทุกข์ มันรทุกคือมันเห็นจิตปัจจุบันดูแจ้งจิตปัจจุบันนะจิตเห็นจ hmm ิตอย่งแจ่มแจ้งเป็นมัดจิตส่งออกเป็นสมุทัยจิตส่งออกเป็นสมุทัยจิตส่งออกเป็นสมุทัยก็แหละก็ไปเห็นแต่อาการที่ถ <reserv Trading suppose> ูกลูเพราะอาการที่ถูกลูปุ๊บทุกอันน่ยอาการที่ถูกลูเป็นเป็นธรรมอารมเป็นอาการเป็นเงาของจิตเป็นธรรมารมอาการที่ถูกลูเป็นธรรมอารมอาการที่ถูกรู้ทุกอันเน่ยเป็นธรรมารมแล้วก็เป็นอายะตะภายนอก เราลืมตรงนี้เลยอาการที่ถูกรู้ทุกอาการเนี่ยมันเป็นธรรมอารมณ์และธรรมอารมณ์มันเป็นอายะตนะภายนอกซึ่มันถูกรับรู้ได้ด้วยอายะตนะภายในวิญญาณขันที่เกิดที่ประตูใจใช่อายะตนะภายในตาหูจมูกลิ้อันนี้เป็นาณานที่เกิดทีนี้ได้วลาได้ถามบอกว่าโอเคคือคิดเดินพิจารณาคะตาหูจมูกลิ้นกายโอเคเป็นประตูี่ประตูใจ วิ ญ, ญญาณขันที่รู้ที่ประตูใจถ้าเกิดว่าคือเดิมได้คิดว่ามแม่แต่วจะเรียนถามอาจารว่าได้คิดนี้จะถูกไหมว่าถ้าขัน ด, ดับเนี่ยตามสมองเรื้องใจจกเรื้องใจดับใจดับไอประตูใจถ้าเราถ้าเราสมมุติที่สร้างของประตูใจไว้ในกายเนี่ยในเมืเ่อถ้ากายดับประตูใจตรงนั้นดับวิญญาณในขันที่ราบรู้ประตูใจตรงนั้นมันก็ดับไปหมดเพราะว่ามันมันมันมันอยู่ที่ประตูถ้าประตูไม่มีเป็นญานก็มันก็ไม่มีที่เกาะ มก็ดับไปอันถ้าเกิดวิญญาณขันที่ที่ประตูใจดับเหมือนเดวิญญาณขนที่หูตาหูแม่นันขันดับ้อย่างก็ดับดับหมดถ้ามะลมมันก็เป็นอย่างในนอกเหมือนเสียงเหมือนรูปงนั้นท <c oughs> ุกอย่างทุกอย่างดับเน่มันก็ไม่เหลืออะไร <c oughs> ใช่คุณจ้านี่ยนี่นี่ก็เลยถามประเด็นตรงทีว่าถ้าไม่ไม่สามารถที่จะสมบูณอย่างนี้ได้ไหมาะว่าเนีมันพยายาที่จะคุยคว่าขันเนี่ยเรื่องเรื่องขนัน อันนี้วิเคราะห์คือแบบนี้ได้ใช่ในเงี้ยในแง่ที่ว่าทมาโดยประตูใจันในท่าไครไในไหยว่าเป็แบบว่าถ้าเกิดว่าเพื่อสามารถที่จะสมมติประตูใจที่เอ่อตรงไหนก็แล้วแต่นะคะตรงนี้อย่ไปสมมติพรมีสมมติที่ตังมันจะเป็นอวิชชาสิมีจุดจ่ตอผู้รู้ตรงไหนวิาดวิชาแต่หมว่ามันมีประตูใจเราจะไปหามันเลยประตูใจ ว่ามงั้นมันก็จะเกิดหลักฐานขึ้นมาใหม่ไมด้ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากรู้คือคืออยากที่จะรู้เพราะว่าในเมื่อตาหูจมกเนการวิญญาณอาคารประตูนี้หมดไปอาคารที่ใจหมดไปอารอย่างมันเป็นคาหมดมันดับแต่เขาเขายังเขียนได้เลยยังไปเราจะไปหาเลยก็เถียงมันติดอยู่ที่ประสาทเรื่องอื่ะก็มันติดอยู่ที่เขาเรียกว่าอ่าขาดทายวัตถุ หาไทยวัตถุก็คือวัตถุวัตถุหัวใจที่เป็นวัตถุว่าไทยวัตถุหัวใจที่เป็นวัตถุอยู่คั่วคั่วหาไทยวัตถุแต่ก็ยังทิ้งเถียงกันอยู่อยู่ที่ประสาทหรืออที่คั่วแต่วัตถุหรืออยู่ที่ไหนแน่นอนจะไปหาไม่เลยแต่คือมันมีเราก็ค ah. so <St aning> ือว <c controlled language> ่ามันไม่เที่ยงแล้วกันมันดับไปตามร่างกายเพราะว่ามันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของกายมันดับได้ับครประตูใจมัดับได้ทุกอย่างก็ไม่มีมันก็ไม่มีไม่มีอะที่ตั้งเลยที่ไม่มีไม่มี ่ันสุดท้ายคือเนี่ยเนี่ยมันไม่มีมันก็ดับไปเรื่อยมันดับไปรื่อยพมันก็ไม่มีผู้รู้เพราะ่ผู้รู้มันใส่เนี่ยันอยันันี้มันดับมันก็หลือแต่ถ้าดูที่นม่มีใช่ใช่คอต้ายวัตถุสายอภิธระมสหายยวัตถุสหยแต่แต่ว่าด้วยความด้วยด้วยคิดเอาแตาก็ยังไม่สามารถที่จะ ก็คือคยังมีตัวยังมียังมันไม่ไม่ไที่ที่ที่ต้เข้าไม่ถึงว่าอะไรคือในความรู้สึกของเราอ่ะฟังให้ดีนะเพราะว่าแในควารู้สึกเราอ่ะที่เต้บอกเข้าไม่ถึงคือต้ยพูดเองว่าอย่าเข้าไม่ถึงคือใช่ใช่นี่ไงคือเต้เต้สร้างความรู้สึกไว้ตลอดว่าเรามีตัวเราทีนี้มันเป็นหมาย แต่ว่ามีเรามีตัวเราเราเลยไปสร้างความรู้สึกว่าเรามีตัวเราที่เราเข้าไม่ถึงถ้าเราเนี่ยไปหมายตรงไหนเราไปสร้างไว้ตรงไหนก็ได้อะไรก็ได้ที่เราเราเราใช้ความเข้าใจของเราไปสร้างไว้เราก็เราจะเข้าถึงความเป็นปจริงนั้นมันมีเราแต่จริงพระเจ้าอ่ะเราไม่มีไม่มีเราตัวเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติมีแต่ธรรมชาติคือมีแต่มีแต่ธาตุขันธ์อายตะนะภาคขันธ์อายตะนะทำงาน ธาตุดินน้ำลมไฟและธาตุรู้ห้าธาตุรวมกันแล้วก็ขันห้าแล้วก็รับรู้ทั้งภายในอายตนะภายนอกกับภายในมีธาตุขันอายตนะทํางานซ้ำพันธ์กันแกนี้ยแล้วก็ดับไปดับไปคืออยายตนะดับหมดทั้งภายนอกภายในแล้วก็ขันก็ดับหมดแล้วก็เหลือธาตุธาตุก็ดับพื้นธาตุกาาตันธาตุดินก็ไปดินน้ำไ ป, น, ำไปน้ำลมไปลมไฟไม่ไ ป, ไปแล้วก็ธาตุรู้ไปความว่างไม่มีใครไป ไม่มีเราไม่มีมันไม่ไมีเราที่เข้าถึงความดับนั้นมันมันแท้ทุกอย่างนั้นใช่แล้วก็กลับไปเป็นท่าถ่ายทัดมันไม่มีเราไม่มีเราแต่พยายามจะให้เราเนี่ยไปเข้าถึงเฮ้ยแค่่พีน้องหนุหนตามบอกเราไม่ไมีทุกอย่างเป็นตุ๊กตะแต่ว่าตอนที่น้องอ่ะมันก็มีความแอบที่อยากที่จะพราะว่า ฟังตอนหนึ่งที่ห น, นูแบบว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันไม่จังมันจะแบบผู้รู้ที่เป็นผู้ทางเราเราไม่สามารถที่จะหาได้เขาเห็ได้มันเหมือนแบบมั น, ม น, บบ น, นทีนบบน่ที่ที่หมาพูงเหมืนอนว่า <listening S 1> <ๆ>แบแรกเห็นวัดหนึ่งวัดหนึ่งแล้วมันไม่รับใจนะตอนหนึกเป็แบบอย่างว่าเมื่อไหล่เจะเห็นแบบนั้ น, นอมากได่เห้นไม่ใช่ <c oughs> เราไม่หมายผิดอหมายว่าแว บ, บมันเข้าใจคือแวบ็บนั้นคือเป็นแบบที่เราเข้าใจถึงใจว่าเราไม่มีไม่ใช่แบบเราไปเข้าหมายแบบเข้าใจผิดฟังแล้วหมายเขาใจผิดว่าเมื่อไหรเราจะไปถึงตัวเราเนี่ยจะไปถึงแว บ, บนั้นแต่แท้จริงแว็บนั้นมันคือแว็บหนึ่งที่ที่มันลงแก่ใจร้อเปเซน์ว่าเราไม่มีนี่หว่าเนี่ยมันเป็นแค่ธรรมาชาติ ของการทํางานทั้งร่างกายจิตใจมีแต่ธรรมชาติสองไม่เป็นหมายว่าตัวเต้ยจะมันมีตัวเต้ที่จะไปรองรับไอ้ตัวที่แบนึกจำไม่ได้เพราเราพยายามที่ไม่เรียเพราะเรื่อเราไม่มีทุกอย่างเป็นสิ่งตรงแตกน้องแต่แต่มันน้องมันน้องผิดมันน้องผิดมันน้องผิดคือไปตั้งว่าเรามีแล้วเราไปน้องไปน้องว่าตัวเราไม่มี เหมือนกับอย่างเนี้ยที่ที่เราพูด้ลยที่บอกว่าผีคอก็ลยจะมีเาเปีเเออเราก็พูดอย่างนี้นะผีไม่มีผีไม่มีแต่มืดไม่ได้กลัวผีทุกผีผีไม่มีผีไม่มีแต่จริงๆในใจลึกๆมันไปตั้งว่าผีมีเลยมันเลยไปน้อมว่าผีไม่มีแต่จริงๆเขาคือผีไม่มีอสอดขาเป็นไง นี่พอเมืออไ่ไหร่ที่ที่บอกว่าเสี้ยวนั่งที่มันเราจะเออมีผีอยู่ใจมันไม่มันเลิกปรงแต่งนิดเดียวเร า, า, าเอาไปหาอะไรมันก็ขนาดนั้นก็เป็นการธรรมชาหนึ่งเดียวธรรมชาติเป็นหนึ่งเดีย ว, วเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวชาติาเป็นแบบเราก็คือเป็นธรรมชาติมีได้ธรรมชาติในการธรรมชาติมีแต่พลาดดีก็ทําดีนี้เข้าไปดินน้ําลมไฟแล้วก็ธาตุหน้าธาตุแล้วก็อายนะ แล้วก็ขาน้าทำงานสัมพันธ์กันธาตุขันอายตนะทำงานสัมพันธ์กันแกนนี่ในหนันธ์อลัพปุเทศเทวสีต้องเคยเขียนไหม่าตุขันอายตนะสัมพันธ์ ไอที่เราเราบอกเราเราปุงแต่งเนี่ยเพราะว่าเราปุงแต่งเพื่อความคาดหวังคาดหวังให้แก่ตัวเราจะให้ถึงที่เราที่เราบอกไว้ใช่ใช่ถ้าจริงเราเจาะเข้าไม่ได้ถึงมาเรามีเราไม่ได้พูดเพื่อให้เราอะเราเนี่ยไม่มีไม่มีตัวเจริงๆแต่เราเนี่ยพูดเพื่อให้มีตัอเราเนี่ยเจาะเข้าไปที่หลวงตบอกที่เรางตบอกผมว่าคือไม่อยากจะอยู่เป็น กูอยากเหนอย่างโนนแต่มันไม่เห็นจริงด้วยวนี่ยังทำยังไงกูนม่เจอคนเขาีต้อี้เริ่มทันแล้วเริ่มทันเลยไหมต้องทันอย่างนี้เรื่อยไปต้องทันอย่างเงี้ยต้องทันอย่างเงี้ยทันเงี้ยเราอยูงกุกสิ่งรุงแต่แล้วเพราะว่าเราอยากที่จะเห็นความอยากที่เกิดขึ้นไอ้รุงแ่งนั่นเอ มันตับไปเยแล้วใช่ครัที่ี่บอกว่ามันแงเพราาตอค่มกเเนี่ยถ้าจะเอายอถ้าไมื่อไม่หยุดปุงแตง่งไม่หยุดปุงแต่งเพื่อตัวเองอยอมไม่สินปุงแตง่งเราต้องเข้าพันมันตัวกรามที่ มันจะมีการปรุงแต่งเพื่อตัวเราเองแต่ตรงเนี้ยมันมจะมาม่ค่อยละ เ, อ, งเงอียดเลยคือท็ไม่ได้ไม่ทำเพราแใคเป็นว่าทำเพราะอยากไม่ทำมื่นไหนต้องหาเลยตัวเองต้อง ค, นค้นพบด้วยต้องต้อง ต้องเข้าใจมันถึงใจด้วยตนเองตร ง, น, ตง น, นี้สําคัญที่สุดก็อ่านใจตัวเองให้ขาดต้องอ่านใจตัวเอ ง, องอให้ขาดในตัวของขตัวเองว่าเราบอกมันเราไปทําไปทำนี้ทําเพื่อใครทำเพื่อใครต้องทําอะไรเลยแล้วทําเพื่อใครทำนี้ทําเพื่อใค ร, อใครบอกอย่างนี้เพื่อใครจะยังมีเพื่อใครอีกอ่ะถ้ามีเพื่ออะไรก็เสร็จสิ้นตรงนี้มันจะมีแต่ฟันได้คือฟันได้ว่า มันยังมีมันจะฟันได้แต่ฟันให้ไม่มีมันจะพูดยังไงก็คือมันไม่มีได้เลยแต่ละไอ้ฟันให้ไม่มีมันฝันไม่ได้เพราะว่าเมื่อถึงตรงนั้นมันไม่พูดกันพอถึงไม่มีแล้วมันไม่พูดกันไม่ไม่มีต้องไม่มีครูบาอาจารย์ต้องฝันให้มันฟันได้แต่ว่าะคือเป็นหลงขนาดที่มันมีตัวตนว่าเรามีตัวตนมีตัวตนของเราครูบาอาจารย์จะฟันได้แค่ตรงเนี้ยพอถึงความไม่มีแล้วจะพูดในการฟังไงต่ำต่ําถึงความไม่มีตัวตนแล้วมันก็ ไม่มีคำพูดนะตรงนั้นว่ามันจะฟันกันอะไรกันยังไงเพราะว่ามันตัำคนต่ำไม่มีไม่มีแล้วไม่มีอะไรฟันกันเพราะว่าไอ้ที่ฟันมันจะบอกอะไรวะมีตัวตนอีกแล้วไม่ใช่เหรออ้าวมีตัวตนอีกแล้วไม่ใช่เหรออ้าทอย่างนี้มีตัวตนอีกแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมันจะบอกได้กันคือบอกได้แค่สังขารเลยสังขารไปแล้วบอกไม่ได้ใช่ใช่ถ้าเลยสังขารไปแล้วจะบอกอะไรเพราะไม่มีสังอะไรให้เป็นสังขารไปที่หมายเนี่ยเพราะมันไม่มีอะไรสังขารได้เป็นที่หมาย อันนี้ยังหมายไม่ได้ล่ะมันเป็นสังขารทั้งนั้นมันไม่มีสังขารแน่เป็นที่หมายมันจึงบอกไม่ได้ตรงนั้นนะมันบอกได้เพราะว่า <food> นี่คุณมีคนหมายนะนี่คุณมีคนหมายอยู่นะนี่คุณมีคนหมายนะนะมันเลยบอกได้เมื่อไหร่คุณที่ที่หมายแล้วใครจะไปบอกใครได้มันที่ที่หมาย้วต้องอ่านใจเองบอกได้บอกได้บอกได้เพียงว่า ยังบอกได้ที่ยังสาขายังบอกได้เรื่อยแหฟันได้เรื่อยฟันหัวได้เรื่อยเออถ้ายางหลงไปเป็นสาขาฟันหัวได้เรื่อยแห่ะอะไรก็ตีได้ทุกทีอะพอเราทาไงก็ต้องก็แสดงมีอีกแล้วก็แไดงหาหาอะไรตัวเองแล้วเนี่ยเนี่แสดงว่าเริ่ดฉลาดอะเริ่ดฉลาดเลยลพอพอจะถามปุ๊บก็สามารถทวงตัวเองได้ทุกครั้งนี่นี่นีนนี้ตัวนี้ต้องการ ก็คือเฉลี่ยเฉลี่ยใจตัวเองเล้ทูครั้งบอกขี้จะนำนะบอกขี้จนี้รูว่าอ้าไปก็มีตัวต่อาก็ก็นี่ไงก็ตัวเองก็รู้นตัวเองอะไแต่เนี่ยสถานก็โดนแน่แน่อ้าวก็รู้เองก็เห็นไหมไหม่ถึงว่าจะเรื่องอะไรมันรอบตัวมันตลาดอ้าวนี่ก็โดนพริกนี้ก็โดนจะพริกเปนี้ก็โดนอ้าวพริกนี้ก็ตังขานจะพยายามหาอทาหกก็ตังขานพยายามบอกสอนตัวเองก็อ้าวหลไปตังขานเพื่อตัวเราอีกแล้ว คือพยานยจะทําอะไรให้เป็นอะไรแม้จะเสี้ยววินาทีเดียวแม้ว่าจะทำกิริยาอะไรพฤติกรรมอย่างไรเนี่ยแค่จะออกอาการมาเสี้ยววินาทีเดียวแม้แต่พยานจะถามอาจาจะดิ้นรนจะค้นหาจะหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดเสี้ยววินาทีเดียวออโดนโดนฟันไว อ, อีกแล้วถาเมย์ถามเถามย์ใคราใ ห, หาเ ม, ม, มย์ใครตายน่ะตายนู่นไงหายผมไงเออที่นี้ก็มีตัวตนนะอาจารย์ตัวตนไหนไหนล้วก็ มันก็ต้องผิดซะก่อนแล้วก็ก่อนถูกถูกผิดเป็นอ้าอ้าผิดอีกแล้วไปหาอ้าวไปดินรนไปค้อ่าไปหาเหตุทาผลอ้าวขยับขยับไปทาอะไรเพื่อเป็นอะไรขยับนิดเดียวเนี่ยเสี้ยวทีเดียวอไปปรุงแต่งนะไปปรุงแต่งเราเป็นสังหารปรุงแต่งนะไม่เป็นวิดังหารนีแหละ้ยทีเดียวโดนหลอกมเลยขยับซ้ายขยับซ้ายขยับขวาขยับหน้าขยับนิดเดียวเป็นปรุงแต่งอยากได้แล้ว้มีอะไร้วนิดหนึ่งว่าเรานิ่ แก่แกไปไปไปบอกมันเช่นนั้นก็ปงแต่งแล้วบอกว่าเราไม่มีมันไม่มีที่ที่ไม่มีอกนียังไม่ใช่เหรามันไม่ยังพูดไม่ได้เดี๋ยวนี้มันพูดได้ว่าเราแอคิดเยอะนะคะเออเเราไม่มีมันอะไรพวบแมันก็ปล่อยได้ปล่อยได้อ่ะอแต่พอพอไม่มีแล้วมันไม่ปุ่แต่งพูดแล้วไงคืออะไรที่ปุงแต่งมามันไม่ใช่เราในใจแล้วมันก็เลยไม่ปุ่แต่งพูดว่า อันนี้ไม่ใช่เราปรุงแต่อันนี้ก็ไม่ใช่เราเพราะเราไม่มีไงแล้วความปรุงแต่ทั้งหมดไม่ใช่เราทั้งหมดมันเหมือนสร้างองนะไเแบบนี้วไ้องเชี่ยวองเหลียวทั้งหลัหที่มีหนีอะไรแบบคือพยายามหาวิธีอ้ยไม่ใช่เอเอพยายามในสิบอกวแล้วไงพยายามไอ้ที่พยายามมาเสร็จแล้วพยายามบอกแล้วไงพยายามจะสร้างหาวิธีกรรมทุกวิธีทางก็เหมือนท่านโอนพยายามจะสร้างวิธีกรรมอ่ะหาหาวิธีทุกวิธี พอพยายามแล้วทีไรก็เสี้ยวนี่ทีเดียวก็ก็ไม่ใช่เลยไม่ใช่เพราะว่าชื่อมันบอกแล้วว่า am, am, พยายามพยายามชื่อก็บอกว่าพยายามพยายามก็ต้องปรุงแตง่ง <c oughs> พยายามต้องปรุงแตง่งนั่นควาไม่พยายามคือคือพอมันเกิดสังขารขึ้นมาในในใจเนี่ยคือมันไม่ไปยึดเลยว่าสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราผมไม่ไปยึดเลยไม่ต้องพูดเลยว่ามันนี่มีเช่เรากพราเราไม่มีเราไปพูดสามอย่างนี้พบเหมือนกัายเปนเราปรุงแต่งเพื่อให้ให้ตัวเราเนี่ยไม่มีเพื่อให้ตวัวเราไม่ไปยึด แต่จริงเนี่ยใจมันมันเห็นว่าไอ้นี่ไอ้สังขารเนี่ยไม่ใช่เราก็ไม่มียิตอะไรสังขารสังขารเรื่อยไปมันไปสังขารนีเวไปคิดน่อคิดอีกทกนี้แต่มันป็นยิตสังขารก็ว่าสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราเปรียบเหมือนว่าเราเป็นวิสังขารไอ้ได้รับไนที่ก่อใจไม่ต้องพูดถึงคือสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราเหมือนกับเราเนี่ยเป็นวิสังขารเพาวิสังขารไม่ต้องพูดถึงวิสังขารเนี่ยมันคือตรงข้ามกับสังขารเพราะนั้นสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราเพราะวิสังขารม เราคือวิสังขารเอาไปเราเขาบอกว่าึ้นเราก่อนเราคือวิสังขารนี่ก็กลายเป็นเราก่อนแล้วเริ่มต้นเราคือแสดงว่ามีเราแล้วถ้าปฏิเสธวิสังขารเนี่ยกเป็นสังเขตสังขารที่เกิดขึ้นในกำลัปัจจุบันสังขารปัจจุบันสังขจุบัเราปฏิเสธเรื่อยไปจายปฏิเสธเรื่อยไปมันก็เป็นวิสังขารตลอดเวลาเป็นออโต้เพราะว่าใจมันรู้สึกอยู่แล้วในใจว่ามันตกกันข้างกับสังขารวิสังขารมันตกข้างกับสังขารมันเป็นวิสังขาร สังขารทั้งหมดทุกขนาปัจจุบันเจ๊หล่อแต่พอเราไปบอกว่าสังขารนี่ก็ไม่เจ๊หล่นี่ก็ไม่เจ๊หล่ไม่ใช่หล่อการการที่เราไปบอกประเด็นนี้ก็เป็นการทำเหมือนกันกับการบอกกับกไปการกระทําแต่ใจมันต้องรู้สึกไปเลยโยนิโสมนในการรือรู้สึกจากใจเราจะรู้สึกได้างถ้าเราไม่เคยเป็นรู้สังขารมึงจะต้องบอกแบบนั้นมาแน่แต่เห็นว่าไอที่บอกไปยังเป็นสังขารอยู่แต่เราะวังให้ดีมึงจะบอกว่าจอนกันอยู่ อต่อย่าให้อาศัยนานนะมันจะหลงนานเออมันจะหลงนานไอเหตุไม่ที่บอกก็เป็นสังขารนะสังขารื่อสังขารนะเสริมช่วยกับมีสังขารก็สังขารใช่ใช่อันจะบอกนานอาศัยได้แต่ยานานนะให้เข้าถึงความจริงก็ทีใช่ย่างเงี้ยเหมือนกับนักโลกไร้กระบวนท่าเลยไม่มีกระบวนท่าไม่มีรูปแบบไร้กระบวน่ารเลย มใจละมีใจเลยมืใจละละมันจะใจหรือไม่มันไม่จะตัดใจฝัใจที่มีตนที่รักไม่มนท้ม่ไหวมันก็ต้องมีทุกอย่างมีทุกหมด่คุณสุไปทีนสุไระบวัท้าไม่มีรูแบบ